ดนังหังนิ่งๆกันเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะเพ่งไปทำอะไรมันมี่าติ้งต่องติงตองทั้งวันนะ่ะตั้งเสียงสั่นก็ได้ปิดเสียงก็ได้จะกลายเป็นติงตงต้งต่องิงต่องทั้งวันน่ะ้ววันนี้เรามีกิจกรรมที่ต้องทำเยอะ ทั้งวันคนนี้ผมบ อ, อ, อกว่าทั้งวันวันก่กลับมาคำห้ำโมงกว่าหกโมงส่งน้ำก็ไปเยี่ยมศพของครอบครัวทัศนพั ก, ก น, น, นี้วันสุดท้ายแล้วคุณยาก็จะไปธรรมชาติแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็จะททำบุญวันนี้สลักกระพัคือทำบุญอาทิตย์นักแก ผู้รองรับปีละครั้งเราลองนึกถึงความเป็นจริงว่าถ้าถ้าเป็นเราเป็นเราหมายว่าเราทุกคนถ้าสมมติเราเราไปแล้วลูกหลานก็จะทำบุญให้เราปีหนึ่งกี่วันเราต้องนึกถึงความเป็นจริง แต่วันปีใหม่ประสงการก็ ค, คือปีใหม่นั่นแหละแต่เวันครบรอบแรกๆก็ทีน้อยเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันต่อไปก็ปีหนึ่งเป็ปีละครั้งบางทีก็ลืมๆไปเลยเพราะนั้นถ้าเราไปรอให้คนอื่นทำบุญให้เราเมันมันไม่ได้และที่สำคัญ ก็คือหลังจากอันนี้คือทั่วไปนะหลังจากร้องหายตายจากแล้วสิ่งที่พูดวายตามมาคือมรดาดกลายครับครัวกลายเป็นมรดาดกเลือดอะไรฝากให้พวกเราทุกคนถามมรดาดกที่เรากำลัง ถ้าพูดง่ายๆคือแย่งแล้วถ้าแย่ ง, ยงหรือจะน่าเกียดถามว่าเป็นของเราไหมก็ของบอรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านทํามาแต่เราคิดว่าเป็นของเราได้ไปเท่ากันบ้างแบ่งมาเท่ากันบ้างทเลาะกันถึงฆ่ากันตายนะเอากันถึงตายเลยนะ ต่นี้มรารดกที่แท้จริงที่เราควรจะกำเนังก็คือจริงๆแล้วเราทุกคนได้มรารดกเท่ากันหมดคือถ้าสี่ขันห้านี้รูปร่างกายอันนี้พ่อแม่ให้เราเท่ากันหมดไม่มีใครได้ให้มามาันแขนข้างเดียวขาข้างเดียวตาข้างเดียวเนี่ยคือมรารดกที่แท้จริงแล้วเราไม่ทำมรารดกตัวนี้คือไม่ต่อยอดไม่พัฒนามรารดกตัวนี้ให้มันดีขึ้น เเป็นมเมดลมาโดข้างนอกสมันสุดท้ายคือไม่มีใครเอาอะไรออกไปได้เลยเพราะนั้นโลกกับธรรมคือโลกกับธรรมนสองคำง่ายๆสั้นๆแต่มีความหมายหมายมากๆเลยถ้าเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือโลกอะไรคือธรรมมันก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละสุดท้ายก็อยู่แบบโลกอยู่แบบโลกก็คือถ้าจะเกิดจนตายก็อยู่กับ เ, เงินต้องทำมาหากินอยู่ไปวันๆโลกก็อยู่ได้เพราะอะไรโลกอยู่ได้เพราะสตังค์นี่คือโอกนะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ทำมาหากินทามาค้าขายอาชีพหลากหลายสารพัดอาชีพสุดท้ายก็คือสตังค์จะเรียกว่ากําไรเรียกว่าค่าตอบแทนจะเรียกว่าเงินเดือนผลสุดท้ายมันต้องเนี้สิ้นเดือนมาก็คือถึงเรียกว่าเงินเดือน ก็คือเงินแต่ถ้าไม่มีเงินก็หมดอันนี้คือโลกนะที่ไหนก็อยู่กันอย่างนี้ทั่วโลกเนี้เรียกเรียว่าโลกโลกเข้าอยู่กันอย่างนี้คือสตังค์แต่ธรรมเข้าอยู่ได้เพราะสตินะฝ่ายธรรมเนี่ยถ้าใครไม่มีสติก็นั้นอยู่กับฝ่ายธรรมนี่ไม่ได้นั้นสติกับสตังค์เนี่ยมันต้องคู่กันนะและที่สําคัญอย่างน้อยที่สุดก็คือ มันควรจะสมดุลกันมันควรจะถัวงอำนาจกันเมื่อไดก็ตามที่มีแต่สตังอย่างเดียวหายใจเข้าออกก็เป็นสตังสตังออสตังเป็นดีพึ่งก็เราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ที่อีกฝ่ายหนึ่งเออสตินะสะตินี่สำคัญนะเพราะว่าเราหายใจจากสตังช่วยอะไรไม่ได้นะร้อยล้านพันล้านแสนล้าน ช่วยอะไรเราไม่ได้นะสตงังสตินี่ทีมันจะต้องติดตัวติดใจของเราไปข้างหน้าเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันเหมือนสตังมันทําอะไรไม่ได้นะเพราะสติกับสตังคือตัวแปรสตังถ้าใครมีมันก็าสามารถที่จะแปรสภาพเป็นอย่างอื่นทําให้สุขภาวะคือสุขสบายเปดนยางไงส่วนไฟสตินี่ก็กเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นแล้วจิตออกแกร่างแล้วก็ อ, ออกแก่ธาตุสี่ขันหานี้คือมรดกนี่แหละมระดกพระแม่ให้นีมันไปไหนต่อเนียเพราะจิตมันไม่ได้ตายนะแต่ตัวที่กายคือธาตุสี่ันหามันย่อยสลายไปตามกาลเวลามันแยกยา ก, กันไปเหมือนตอนนี้ดินน้ำไฟลมที่เราอยู่ตัวนี้มันก็คือดินน้ำไฟลมถ้ามองออกน้าพะวม ขาดอะไรไม่ได้ขาดดินไม่ได้ขาดน้ําไม่ได้ขาดไฟไม่ได้ขาดลมไม่ได้ถ้าไม่มีลมสลานะไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้นะมนุษย์ก็เหมือนกันดินน้ําไฟลมมันก็เรื่องเรื่องจากดินแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟแล้วก็ลมสุดท้ายก็คือตัวลมนี่แหละเมื่อลมมันหมดลมมันจะหมดเวลาหมดจะหมดตัวแรกเลยลมลมมันหมดเสร็จแล้วดิน มันจะใหญ่หักหน่อยน้ําที่มีอยู่มันก็จะออกมาหมดไฟที่อยู่ในร่างกายมันก็จะค่อยเย็นค่อยค่อยดับนีนคือดินน้ำแล้วก็เรียกว่าตายนี่นคือดินน้ําไฟลม้มคือธรรมชาติของเขามันดับแต่เราเรียกว่าตายแล้วก็ไปกลัวของพวกนี้แสดงว่าเรากลัวดินน้ําไฟลม้มเรก า, ากลัวตายกลัวตายไม่รู้กลัวตายกลัวอะไร ก็เลยไม่อยากตายสุดท้ายก็ไม่อยากตายเอาแค่สองพันกว่าปีมานี้มีใครที่ต้จแต่จําความได้มีใครที่เห็นคนที่ไม่ตายเลยมีไหมลำหนักนี่คือเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าไงพระนั่งติงบอกให้เราไปเฟ่้าพุทธเจ้าทุกวันก็คือว่าพระสดมนต์เมื่อกี้นี่แหละในขั้นแล้วเราไปเฟอ่อกพุทธเจ้านะ เมื่อไปเฝ้าพระเจ้าเราก็ต้องฟังนะไม่ใช่ไปเฝ้าท่านก็มองหน้าแล้วก็กลับบ้านนะไม่ได้อะไรเหมือนมาวัดเดินเข้าเสร็จก็กลับบ้านนะได้อะไรได้อะไรไปบ้างคาว่า ม, มาวัดนะมันวัดอะไรได้บ้างวัดกายตัวเองได้ไหมวัดวาจาตัวเองได้ไหมวัดใจตัวเองได้ไหมถ้าวัดไม่ได้ก็เหมือนเดิม อยู่ที่บ้านแต่ถ้าวัดได้เนี่ยอยู่ที่บ้านกับวัดได้เพราะวัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองนี่คือวัดไม่เกี่ยวกับวัดนั้นวันนี้วัดโน้นทุกทายก็บอกว่านั้นดีวัานั้นไม่ดีมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัดเพราะตัวเองไปไหนก็วัดตัวเองไม่ได้อะวัดกายก็ไม่ได้วัดวาจาไม่ได้วัดใจก็ไม่ได้เดือดร้อนเน่นี่คําคำว่าวัดเพราะเราความที่เราไม่เข้าใจ ให้เราวัดอย่างนี้นทุกวันอยู่บ้านก็วัดได้นะเพราะกายวาจาใจอยู่ที่ตัวเราเ น, นี่ยคือวัดเพราะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนว่าอย่าไปมัวไปหาสตังค์มากเกินไปเพราะว่าสตังค์เนี่ยเรียกโคกเขาก็แ เ, เกษียณแล้วเขาปลดระวังแล้วเขอบอกพอได้แล้วคือเกษียณได้แล้ววางไดแล้วหลังจานกนั้นไปอีกไม่เกินยี่สิบห้าปีหลังแกปลดระวังแล้วนะ อั น, นคือมาตรฐานนะยี่สิบห้าปีก็คืออายุประมาณเจ็ดสิบห้าดประมาณโดยประมาณเรา ก, กลับสภาพเดิมแล้วก็คือตายพูดง่ายๆภาษาจเจรยกพระตายคนนั้น ต, ตายราชาพาังตัดคือปีเรื่องหนึ่งเรื่องภาษาพูดง่ายาคือตายตายแล้วไปไหนจินี้ไปไหนแปลว่าจิตมันไปไหน มันสําคัญนะะวันนี้เรามาทําบนเลิกถึงบรรพบุพรุษอย่างน้อยที่สุดก็คือนลกถึงท่านที่มีเราทุกวนันนี้คือมีรูปร่างกายอันนี้คือมอรดกที่แท้จริงนะส่วนมรดกอื่นนเป็นของท่าน่ะไม่ใช่ของเรานะเราไปแย่งก็่านมาได้มากได้น้อยไมทับกันก็ไปทะเลาะกันมันไม่ใช่ของเราไม่นของท่านหามาเป็นพ่อแม่ปุถุญาตา ย, ยายบรรพบุพรุษหามา เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราทําเอาเองให้หาเอาเองนี่คือบรดกแท้จริงนั้นอยู่ที่ว่าจากนี้ไปเราจะได้มากได้น้อยไหนแล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นจะประมาทในเวลาในวัยพอพระพุทธเจ้าแล้วพุทธังแสังกระชามมินี่กันพอพระพุทธเจ้า มีธุระไปคุยกันข้างนอกนอถ้าใครมีธุระคุยกันข้างนอกถ้าใครยังม่คุยกันเงินแสนเงินล้านตอนนี้เรากําลังให้สติมันแย่งยังไม่ได้สตินี่มีสติมาวัดแล้วต้องมีสติพระดีๆพระอย่างนี้แหละไย่พช่พระปากหวานชอบพระปากหวานนะแงเงาทองกันมาหมด การฝากพวกเราทุกคนว่าเรื่องการปฏิบัติเรื่องไรมันไม่ใช่เรื่องยุ่ยยากซับซ้อนเลยเลยไม่ใช่อย่างที่เราคิดโอ้มันหลักการวิธีการอย่างนั้นอันไม่ต้องมีอะไรพุทธเจ้าก็ดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวนี่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จนสามคำลมหายใจสามคำแค่นี้พอเราเราจะเป็นเราจะตายก็เพราะนี้เพราะลมหายใจนี่แหละ จะมีหรือไม่มีเขาบอนี่คนยังมีลมหายใจยเรวคนเป็นคนนั้นมีลมหายใจแล้วเราคนตายเพรานั้นพิจารณาสามคำสามคำนี่ยลมหายใจดูลมลมเข้าลมออกให้มันต่อเนื่องมันเข้าเร็วเข้าช้าเข้าสั้นเข้ายาวหยาบละเอียดดูลมเรียกว่ากําหนด ดูลมหายใจดูลมอย่างเดียวจนลมมันอ่อนลมมันเบาดูเหมือนมันจะหายดูเหมือนไม่มีลมนัเละจนละเอียดมันเบาถ้าเรียก ว, ว่าหายนี่คําแรกคือลมคำที่สองนหายนะคำที่สามใจเหลื อ, อใจใจมันรู้มีความรู้อยู่ที่ใจตอนนี้ยังไม่มีสุขไม่มีทุกข์ อันนี้คือสภาวะเดิมของดใจจริงๆไม่เกี่ยวกับสุขก็เกี่ยวกับทุกข์ไม่คือลมหายใจใจเสร็จแล้วอะไรมาเข้าบานอยู่ในใจเลยนะเรามีสติแล้วมีสติมีสติสุขเข้ามาอยู่ในใจเรียอสุขใจทุกข์เข้ามาอยู่ในใจทุกข์ใจเห็นไหมมันอยู่เราจะอยู่กับสุขก็อยู่กับทุกข์ทีนี้อยู่ที่สติเนยแต่คนที่มีสติมันก็อยู่กับทุกข์แล้วก็บน ม, นทมาทํามันทุกข์เหลือเกินอ้าแล้วก็อยู่กับทุกข์อ่ะ ก็ทุกข์มาไว้ในใจไม่ยามออกออกมันก็ทุกใจสุขใจก็มันเช่นกันสุขก็อยู่ใน ใ, นใจก็หลงอีกกลายเปติดอีกคืออยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยเคลียวมโมหะโดยที่เราก็ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรไม่มีสติเพราะเราไม่ฝึกสติจึงไม่รู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยพุทธเจ้าก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าทุกคนคือความ สามารถของพวกเราทุกคน่ะทําได้ทุกคนมีิการสามารถอย่าไปคิดโอ้เราทําได้เราไม่มีเวลาเหมือนกันเวลาก็เหมือนกันเราบอกเราไม่มีเวลาแปลว่าอะไร ก, ะก็ลางวันกลางคืนก็ให้เท่ากันกลางวันก็สิบสองกลางคืนก็สิบสองไม่ใช่หรือแล้วก็บอกไม่มีเวลาเวลามันหายไปไหนเราก็จะไปโทษเยวิ่งเนี้ย ธรรมชาติของคนก็จะเป็นโทษประจัยไปนอกอยู่อย่างเนี้ยทุกวันก็เพราะไม่มีสติเวลาก็ให้เราทุกวันแล้วก็บอกเราทุกวันว่าอันนี้จังตุกะ อ, อนาตามันก็สอนเราทุกวันพระอาทิตย์มันก็สอนเช้ามาขึ้นละเกิดขึ้นแปรากฏตั้งอยู่ระดับไปคือดับอันนี้คือไอนนจังตุกะ อ, อนาตา่าในชีวิตประจำวันสั้นที่สุดแล้วนะ่งสิบสองชั่วโมงนี่แต่เราก็ยังไม่เห็น แต่ผู้นี้ก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกนี่ก็วงจรของเขาเป็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์ก็เป็นอย่างนี้แหละโผล่ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ทีนี้ถ้ามันไม่ดับล่ะไม่ดับแล้วมันผิดธรรมชาตินะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับที่เราลำบากทุกวันเพราะมันไม่ดับมันเกิดแล้วมันไม่ดับพระเจ้าจะมองเห็นว่าสอนให้พวกเร า, าให้ดูการเกิดการดับนี่แหละ มันลมนี่นแหละเกิดลมแล้วก็ไม่มีลมคือดับที่เราเรียกว่ดูกันเกิดดูการตายจริงคื อ, ค, อ, ค, อคือดูกันเกิดกันดับเท่านี้แหละอะไรมันเกิดอะไรมันดับแค่นี้เองทุกเรื่องเสร็จแล้วก็วางสุดท้ายไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวนะวางวางสิ่งนั้นๆได้อันนี้คือการปฏิบัติฉบับแบบยอ่อๆในชิดประจําวันนะ วางคือวางทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งบุญทั้งบาปสุดท้ายก็วางวางหมดถ้างั้นมันก็จะติดติดบุญติดบาปอยู่ไปไหนไม่ได้แต่ก็ยังดีที่ติดบุญแต่ที่ติดบาปมันหนักกว่าอีกเพราะจิตจริงๆมันต้องเป็นกลางคาว่าจิตหรือใจต้องเป็นกลางมันต้องวางได้มันต้องไปไกลถ้าวางไม่ได้คือวางสุขวางทุกข์ไม่ได้มันไปไกลไม่ได้มันคือภาระ เหมือนขันห้าที่เรามีอยู่ดินน้ำไฟลมรั่วปแต่นะยาสังขารวิญญาณะราวังไม่ได้สักตัวเลยนะมันก็หนักเรื่องภาระหาวิาปัญจกันธาขันห้าเป็นภาระอันหนักหนักนะหนักกับแบกของอีกนะแบกของวางลงเราจะรั่ววางแต่ขันห้านี่ยมันไม่เคยรว่ามันหนักขนาดนี้หนักน่าสะฮัดเลยนะวางไม่ได้สักอย่างวางไม่ได้สักเรื่องเรื่องนี้ถ้าใครไม่มีสติไม่มีทาง สตังต่อให้มีเปอร์เซนล้านก็ไม่มีทางอย่ามากเอาไปซ่อมมันอยู่ไม่ได้กเอาไปซ่อมขอ้าหลวงบาสเนี่ยวอลเาซ่อมมันก็ซ่อมไม่ได้สุดท้ายซ่อมไม่ได้มันก็ไปธรรมชาติ น, นี่คือสตังนะแต่สติมันจะติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าเราจะอยู่กับสตังหรืออยู่กับสตินะยอมรับสภาพนะถ้าอยู่กับสตังก็ได้แค่นี้แหละหลังจากนั้นตัวใครตัวท่านนะ่ะ หลังจากนั้นก็คุณจะรอโน้ตปีหนึ่งก็รุดหลันทนําบุญอีกครั้งหนึ่งวนนันวันนี้วันสลักวัตรวันนี้ก็ไปทำบุญให้ถ้าเขานึกได้นะเพรเราอุตส่าห์ได้ตั้งห้าล้านสิบล้านร้อยล้านทําบุญให้หน่อยเนะถ้าเขานึกได้ถ้าเขานึก ไ, ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังจากคป็นอื่นนะทําได้ด้วยตัวเองโดยพ้องยิงคือบุญง่ายๆคือลมหายใจเนะี่ยคือหายใจยังไงให้มันมีสติหายใจ ออกรู้ออกเรารู้กําหน ด, ดอยู่นี่อยู่บ่อยๆถ้าเพิเมื่อไหรก็กําหนดใหม่เพราะฉะนั้นอริบทที่เราใช้คือร่างกายของเราก็คือยืนเดินนั่งนอนแค่นี้แหละการปฏิบัติธรรมก็มีแค่นี้แต่ว่านอนเนี่ยเว้นเพราะไอ้หยุดนอนเป็นอิบุที่ไม่เกิดสติถ้าพูดภาษาเจ็บจก็คือไอ้หยบทนอนเป็นอิบทของคนตาย ถึงก็คืนเมื่อไหรก่ก็คือตายนั่นแหละแต่ว่าพราะเอินเรายังมีจิตมันไม่ออกจากร่างมันก็กลายเป็นมโนภาพเรียกว่าฝันเราจึงเรียกว่าฝันเราอยู่ได้ด้วยความฝันก็คืน่แต่กลางวันเราสามารถสื่อไปทางตาได้หูได้เราไม่เรียกว่าฝันว่าคืนก็เรียวว่านิมิตไม่เรียกว่าฝันเรียกว่าผวังขจิตคือจิตที่มันก่อพบก่อชาตินั่นแหละ กิจตัวที่จะไปข้างหน้าคือตัวนั้นแหละไม่เกี่ยวกับร่างกายแล้วเวลาเรานอนโอ้โตาจมูกแขนขาตาจมูกช่วยอะไรไม่ได้แล้วเหลือแต่ตัวสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสัจการวิญญาณตัวนั้นตัวที่จะไปข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยก็ไปเหมาเป็อนอันเดียวกันหมดเลยนี่อันตรายแล้วแยกไม่ออกว่ารูปคืออะไรนามคืออะไรเขาแยกไม่ออกสุดท้ายก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกัน แยกไม่ออกละพรานาคอยากให้เราทั้งหลายแยกคือทุกข์กับมือนกันให้มันรู้เข้าใจเออมันทุกข์ของกายก็แก้ที่กายทุกข์ของใจก็แก้ที่ใจมันก็ไม่แก้ไม่ถูกอะมันแก้ไม่ถูกก็ไปบนบานสารกาวที่ไหนก็ไม่รูไ้ไปให้หลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาวัดนั้นวัดนู้นสังสิทธ์ต้นไม้ภูเขาเรากาไปแก้ปัญหาให้เรามแก้ได้เหรอเนี่ยแล้วไปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่สอน มพรนั้นพุทธังสนังกระฉาม่เชื่อพระพุทธเจ้านะธรรมังสนังกระฉาิเอาหลักเอาพระธรรมเป็นหลักสังครังสนังกระฉามิอันนี้มุ่งปฏิภาฯอริยะสงฆ์ไม่ใช่สมุทติสงงั้นเ่าบอกหงายท้องอีกได้ยินขาวตอวนั้นโอนั้นโอนี้โอ้โนนโอ้โหล้วนบบยมหาศาลก็หงายท้องกันมานะนั่นคือสมุติสงที่เราพูดถึงพระอริยะสงฆ์คือผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบ อันนี้คำว่าสัง่งทางตะลังและานนี้มนันก็จะผิดหวังกับพระสองฆ์อีกเราก็แยกแยะอะไรไม่ออกก็จะเป็นอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉนั้นวันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนว่าอย่าอยู่แบบโลกโลกคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอันนี้คือโลกนะให้อยู่แบบธรรมมั่งคือมีสติซึ่งน้อยกลุ่มที่มีสตินะเป็นกลุ่มที่น้อยกลุ่มที่หาสตังเนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายก็ท้ออะไรไม่ได้ คุณทีอาศัตม์เพราะฉะนั้นเราก็ใจตรงกันอย่างนี้แล้วว่าโลกกับธรรมเาจะอยู่แบบโลกก็อยู่แบบธรรมก็เลือกได้ชีวิตเราเราเลือกได้ถามว่าตอนเนี้เลือกหรือยงังเลือกที่จะเดินทางไหมเราเลือกได้ชีวิตเราเหลือไม่มากนะอย่าไปเทศว่าจะเหลือมากเลือมากเหลือน้อยแต่เทียบกับวิธีอื่นคือโลกอื่น ชีวิตของพวกเราถือว่าน้อยมากเพราะเต็มที่ร้อยปีให้เต็มที่ร้อยปีแต่คิดเรือลวพวกเราองนับนิ้วมือนิ้วเท้าดูตอนนี้อายุอานามเท่าไหร่แล้วเลขหก 6, เลขเจ็ดงคนเลขแปดแล้วมันใกล้เลยนะมันใกล้แล้วเพรา ะ, ะนั้นขยันทำความดีกับตัวเองได้เยอะ ก็ตเติมความดีโดยกันฟร้อนพุทธเจ้าทุกวันพุทธ ท, ทางธรรมังกลางพลังกระฉามนีนน่้คือที่พึ่งอันประเสริฐของจริงของแท้แน่นอนแต่พึ่งไป น, นอกจากนี้พึ่งอะไรไม่ได้เลยลเราพึ่งอะไรไม่ได้เลยดังนั้นสมาทานบ่อยๆก็คือวัดคือวัดกันบ่อยๆคือวัดกายตัวเองวัดปาจาตัวเองวัดใจตัวเองคนที่วัดกายวัดปาจาตัวเองได้คนนั้นคือคนที่มีศีล คนวัดใจตัวเองได้คนนั้นคนีมีธรรมนีเรียกว่าสินกับธรรมสองคำง่ายๆสั้นๆแต่มีความหมายสาหรับชีวิตเรามากก็อยู่ที่พวกเราเราจะเลือกแค่แค่นี้เราก็จะได้แค่นี้แหละฝากพวกเราทุกคนเราวันนี้สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดถ้าใครอยากคิดว่าจะได้ยินของใหม่ มัน ม, มีอะไรใหม่เหมือนเข้าปลาอาหารในหลังจะ เ, เข้าไปนกำลังรอจะขนเข้าไปในท้องนมีอะไรที่มันใหม่มั่งแต่เราก็ขนเข้าทุกวัน่ะขนเข้าขนออกขนเข้าขนออ ก, eszcze, ออกทุกวันธรรมะ เ, เข้าไปก็ไม่ได้นี่นคืออาหารกายนธรรมะคืออาหารใจถ้าใครไม่มีธรรมะใจมันก็ขาดอาหารอาหารใจมัน ก, ก่อนเอร์ใจไม่มีกําลัง เหมือนร่างกายทีข่ขาดอาหารวันนั้นวันหนึ่งล้วก็ป้อนมันสามมื้อถ้าเป็นชาวบ้านเป็นชาวพระก็สองมือ้อบา ง, อ, อ, งองทาง่านก็มื้อเดียวก็อยู่ได้พูดจัา ง, งเราก็มื้อเดียวอยู่ได้ตั้งแปดสิบปีแต่ก็กินเพื่ออย่างอัตภาพได้ทำเป็นไปเพื่อเพื่อชีวิตอยู่เพื่อเรียกว่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน อันนี้คือหลักในการคิดวันนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมที่ต้องทําอีกเยอะแยะมากมายก็ขออนุโมทนาความดีที่เราที่ทําในวันนี้อาจจะมีเท่าท่าป่าแจกทุนการศาึกษาสลักกพัดวันนี้ขออนุโมทนาครอบครัวจังหยงแห่งที่ร่วมพระปา่พาพระปานี่จะไปทําโบสบนดอยแม่แจม่มขอบครัวจังหยงแห่งวันนี้ เริ่มต้นให้เราหนึ่งแสนบาทเป็พนพรปาแล้วก็มีกระถินกระพ้ากระถินอีกซึ่งจะได้ถอดแล้วก็ทำสลกักะพัดมีโอกาสแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกเยอะระดับช่วงเช้าวันนี้ก็ฝากพวกเราเพื่อให้เป็นสติเรียกว่าให้สติญาดโยมให้สตังพระให้สติแลกกันเอาสตังแลกสติแล้วกัน แต่ว่าสตังเรไปซื้อข้างนอกไม่ได้นะไปเซเว่นะขอซื้อสติหน่อยไม่มีนะไม่มีขายน ะ, ะก็ขอธรรธนานนอ